มันเดิมๆดูไปเรื่อยๆมั น, ง, น, ง, นง่ายนะทำยังเดิมๆดูไปเรื่อยๆอย่าไปบัคคับขึ้นม า, าปล่อยได้หมดก็ดีแล้วพอปล่อยแล้วใจมันจะโล่งขึ้นมนี่พอใจโล่งขึ้นมาเราก็ค่อยเรียนรู้เขาไปเรืยเขาเปลี่ยนแปลงเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปตั้งผู้รู้เด่เนไว้นะมันจะทํำลายไม่ได้ การจะทำลายตัวผู้รู้มันอยู่ที่ว่าสติปัญญาเรามันจะไปเห็นตัวผู้รู้นั้นเป็นไตรลักษณ์ไหมครับไม่มีทางอื่นที่จะทำลายตัวผู้รู้ได้ตนะ้องเห็นเป็นไตรลักษณ์ก่อนพอนอาตมาภาวนาทำมาหลายปีทำไมเราไม่แจ้ง ร, รู้สึกตลอดเวลาว่าเราไม่แจ้งรู้ไม่ตลอดสาย อะไรที่รู้ไม่ได้ตลอดนะอริยสัจรู้ไม่ได้ตลอดสายมีความรู้สึกลึกๆเลยว่าเรายังไม่แจ็นแจ้งในตอริยสัจอย่างนั้นก็คลำเที่ยวคําเส้นทางนี้เราไม่เคยเดินจะไปยังไงนะถึงจะรู้แจ้งอริยสัจครูบาอจารย์บางส่วนท่านก็บอกว่าต้องทำลายผู้รู้ไม่พูดเรื่องอริยสัจเลย ในกระาที่ในตำรักําลาเนี่ยสร้ะอรหันต์ต้องรู้แจ้งอริยสัจเหมือนกับคาสอนทั้งหลายนี่ัขัดแย้งเหมือนจะทําให้เราค่อยๆรูปรบๆคําไป <c oughs> ในกวเป็นจริงแล้วก็คือตัวอริยสัจ ต, ตัวที่หนึ่งคือการรู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปกัณณ์ ก, ก, า, กายกับใจตัวกายเนี้ยเรารู้แจ่มแจ้งละเเห็นแล้วไม่ใช่ตัวเรา ตรงที่วางกายได้เนี่ยมันปูมของเราเพราะนาคามีแต่ตัวจิตตัวธาตุรู้ระวางไม่ได้วังไม่ได้เพราเรียกว่าเราอยากไม่รู้ถุกเราไม่สามารถรู้แจ่มแจ้งถึงตัวจิตผู้รู้ได้เราไม่แจ้งเราคิดว่ามันเด่นโสมันเห็นมันก็เด่นใช่ไหมนเด่นอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนไม่มีมัวหมองอะไรไม่ตับเห็นไต่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรุนะฮะเนี่ยนั่นหละมันเหมือนหมดทางเดินเลย หมดทางเลยนคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่านอนใจได้แล้วเราคง้นกิเลสตรงนี้แนละ้วตรงนี้ตายแล้วจะไปเป็นผีใหญ่ที่เราคือดูดอ่ะแต่ถ้าเราเข้ารู้เข้าดูไปค่อดูไปมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้ดูที่ผู้รู้ดูไปรู้ธรรมดาเนี่ยนะนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจรู้ีมันก็มารู้ผู้รู้อย่าไปจงใจจ้องไว้ที่ตัวกรู้ออกครับ ตัวสำคัญคือไม่ไปจงใจจ้องตัวผูรู้ไวไม่ไปเพ่งใส่ตัวผูรูอันนี้อันนี้หมายความว่าอปัญญาเรายังไม่คมพอไม่พอพอที่จะเห็นเขาเออไม่เที่ยงใช่ไหมครับใช่ปัญญาเราไม่พอที่จะเห็นผู้รู้เป็นไตรลักษณ์ค่ะเดี๋ยวเรียกว่าเราไม่รู้แจ้งอริยสัจนั่นเองเพราะเพียงมีคำสอนเตือนธรรมาว่าหลัง น, นี้ อันนี้ไม่เทียงนะหลายก็ยังไม่อันนี้คําสอนนั้นนะ่มันได้ยินได้ฟังมาจากพระอยะเจ้าทั้งหล่แต่ว่าใจเราไม่ได้เห็นเองใ น, นตรงที่พอเรามนเหมือนจนปัญญาจริงๆเไม่รู้จะไปทางไหนอีกแล้วเพราะว่ า, าแค่จงใจปฏิบัตินี่เดียวก็ถูกจงใจจะปฏิบัตินี้เดียวก็ยังพุกขึ้นมาพอไม่จงใจปฏิบัติงานเราก็ยังไม่เสร็จ เหมืนจะเดินต่อไปก็ไม่ได้นะหยุดอยู่ก็ไม่ได้ตรนี้มันคล้ายๆถึงจุดที่จนปัญญาหมดสติหมดสัญญาที่จะตอบฟื้นพอมันบีบเข้ามาถึงจุดนี้แล้วมันรวมลงมาที่จิตอันเดียวที่ท่าตัวอเดียวมนะันไม่ไดิ้นโดนต่อไปอีกแต่ว่าไม่ใช่นั่งเฝ้าไว้นั่งเฝ้าไว้อย่างเป็นการทํางานไม่ได้มีการทํางานเหลืออยู่ แล้วพอไว้ก็เพ่งนัม่ใช่ก็เพ่งส่งในอยู่นะเฝ้าไว้ไม่ได้นะเป็นการทํางานกันเลอีกพอไม่เฝ้าไหวก็กลัวว่ามันจะหนีไปกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่บรรลุรอรหันต์แต่ว่าพอเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรืยนะทําให้สบายที่สุดเลยธรรมชาติที่สุดเลยไต่ปล่อย<ม><ำ>ใช่ไหมครับธรรมชาติที่สุดดีที่สุดแต่อย่าจงใจปล่อยนะไม่มีการกระทําองไหม มนันเกินต้องจําคํานี้นะไม่มีการกระทําใดๆเลยถ้ายังมีการกระทําไปนิดเดียวก็คลาดเคลื่อนออกไปเลยความทุกข์จะเกิดทุกข์ทนขึ้นมาเลยมายความไม่ต้องจงใจต้องไม่จงใจกระทําำมันจะรู้กายรู้ใจมันจะรู้ผู้รู้มันจะหลงไม่ห้ามมันหรอกแต่ว่าตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปสบายๆถึงจุดหนึ่งเนี่มันจะมีรอยแยกสามรอยสําหรับแต่ละคน บางคนได้เห็นว่าตัวท่ารู้เนี่ไม่เที่ยงเศร้าหมองแล้วก็ผ่องใสผ่องใสแล้วก็เข้าหมองไนดะ้อันนี้พอวัดจับได้ขอปัญญาท่านแจ้งมันไม่เที่ยงเนี่ยทันแจ้งก็ปล่อยวางนะบางท่านเข้ารู้จิตผู้รู้ผู้แหมมันมีความสุขเยอะนะนไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันกลายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยซึ่งอัศจรรย์ ตัวจิตผู้รู้กลายเป็นตัวทุกข์ทุกข์แบบไม่มีอะไรเสมอเหมือนทุกข์เหมือนโลกจะแตกทุกขเหมือนจะถูกปูกเขาบดขยี้เลยถึงจุดนี้ยทุกข์แบบที่ว่าอีกนิดหนึ่งก็จะตายละสภาว ะ, ะเป็นสภาวะเนะสภาวะที่เห็นมันนะตัวคาดรู้นะัตัวทุกข์ล้วนๆทุกข์แบบไม่มีอะไรเหมือนเลยลเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นทุกข์ขนาด น, นี้เหมือนว่าเรากําลังจะตายละ มันจิตจะระเบิดจะแตกสลายแล้วไม่ใช่ทุกแบบเลยทั้ลายไม่ใช่มันเป็นทุกข์โดยตัวมันเองเพราะจริงๆพระพุทธเจา้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าทุกข์บ้างสุขบ้างท่านไม่ได้บอกว่าเป็นตัวสุขย่ถ้าเราเห็นธาตุรู้เป็นตัวสุขตัวดีตัววิเศษไม่ได้ตรงคําสอนเรื่องอริยสัจเลยแต่ถ้าวันหนึ่งเศ้ารู้เศร้าดูไปไธาตุรู้ตัววิเศษ แต่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันทุกข์เมืนไม่มีอะไรเหมือนนะมันจะตายเลยถ้าหาทางแก้ไขไม่ทําไมอยู่ๆทุกข์เพิ่มข้นขึ้นมาไม่ว่าจะแก้ไขในแง่ในมุมไหนก็ไม่หายมีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาถึงจุดนี้ต้องยอมตายเอาล่ะจะตายก็ตายยอมตายช่างมันจิตมันจะระเบิดแนละ้วให้มันระเบิดให้มันตายไป แล้วถึงจุดนี้มันความเข้าใจมันยอมนะช่างมันแล้วช่างมันแล้วทิ้งมันนะมันทิ้งออกมันเองควทุกข์จะสึมันจะสลัดเอาจิตทิ้งไปมันจะหลุดพ้นมันจะปล่อยวางตัวจิตได้อันนี้พวกนี้เห็นทุกข์บางท่านเห็นอนัตตาดูไปดูไปนะมันกระเด็นออกไปเลยแล้วมันจับมันกว้างทิ้งไปเลยทารุนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ละคนแต่ละคนเนี้แต่ต่างักัน บางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกข์บางคนเห็นนามนัสสะไม่เหมือนกันแต่เสร็จแล้วสภาวะสุดท้ายจะเหมือนกันคือไม่นจะปล่อยวางความยึดถือจิตเมื่อมันปล่อยวางความยึดถือจิตแล้วมันจะไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกเพรจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายึดถือมากที่สุดว่าเป็นตัวเรามันถึงที่สุดแล้วที่สุดเลยก็คือจิตนั่นเองเนที่หลวงปู่ดูลสอนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง แจ่มแจ้งก็คือเห็นมันเป็นไตรลักเลยปัญญามันแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งไม่ใช่ว่าเห็นชัดๆแจ่มแจ้งก็คือเห็นแล้วก็เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเข้าใจความลึกซึ้งของมันก็คืออริยสัจนั่นแหละมันคือตัวทุกตอนนี้มันเห็นเหมือนกับเห็นไฟอย่างนี้ยเหมือนกับมันจะติดอยู่เหมือนกันเลยก็สว่างคงที่ไปเลยดูไปแนละ้วหลายหลายเดือนก็มองไปเองอะพะวังแล้วคราวนี้มันไปอีกแบบหนึ่งแะ ไม่เหมือนที่เคยปฏิบัติมามันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเธออุระเราหมด่ะภาระที่จะต้องรีนรวนคน้นควาเพื่อความบริสุทธิ์เลยไม่มีอีกเวลาเรามองโลกภายนอกจะเห็นมองคนมองสัตว์มองมอะไรเนราบเรียบเสมอกนเราจะเห็นปรมตร์เห็นรูปปรมาตร์ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นก็เป็นนามปรมัสตร์ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะ แต่เดียวกันเการู้สมมุติบัญญัตริรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้ว่าผู้หญิงรู้ว่าผู้ชายรู้สมมุติบัญญัติคล้อยตามสมมุติบัญญตัติน่าจะไม่หลงกับมันคล้ายกับขันเนี่ยรูปนามขันห้าเลยมันไม่แปดเพื่อนเข้ามาถึงจิตถึงใจอเข้ามาไม่ถึงจิตหนึ่งไม่มีจิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนเดิมหลวงปู่ดูเรียกว่าจิตหนึ่งท่านวัยหลักเรียกว่าจิตเดิมแท้อาจารย์มั่นเรียกว่าทีติจิต ที่ฟูดตังที่ตรงนี้ที่ว่ามันไม่ถูกกระทบกระเทือนอะไรเอไม่มีอะไรมากระเทือนถึงเลยแบบฝนตกให่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงเลยเนะี่ยโลกูปุตาเรียกว่าจิตเดียวในอภิธรรมจะเรียกว่ามหากริยาจิตมชื่อต่างๆกันมันเป็นสภาวะที่ใหญ่โตเต็มโลกภาพเลยใช่สามารถจิตยิงมนี่ก็คือ ที่ิ้นไม่แช่งหีเราเกิดมากมักแหวกว่ามันเกิดตรงผลัวในรียกผลแม้แต่ต อ, ตอกนการเรว่ายินได้ใครถามหลงดดมวงปู่ดูผมว่าทิ่ิ้มมันมีกี่ทีหลวงปู่สี่ที <c oughs> ใ, ใจของเราจะมีจุดมีดวงมีขอบมีเคตในของผู้ปฏิบัติของบุตุชน หรือสระทั่งของท่านาคามีมีจุดมีดวงมีขอบมีเข็มมันถูกห่อหุ้มไปด้วยอาสวะมีเปลือกหุ้มเปลือกหุ้มนี้ไม่มีอะไรทำลายได้เนื่เมื่อมันมีขนาดมีจุดมีดวงมีขอบมีเข็มเวลามันจะออกรับอารมณ์มันจะต้องวิ่งไปรับเหมือนมันวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปก็วิ่งกลับวิ่งไปก็วิ่งกลับอย่ารู้สึกอย่างนี้นเพราะอะไรเพราะมันมีขอบมีเขต มีลิมิตมีขนาดแต่ตรงที่มป็ลายปากทางที่ถือจิ ต, จ ต, จ ต, จตนั่เป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งที่ใหญ่เต็มโลกธาตุทั้งสามโลกเป็นครับคลุมเมดนีอันเดียวกันือเท่าับอนิจจ่าครอบคลุมทุกอย่างใหญ่โตไปรู้มหาสุนตาครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเสมอพราะนั น, นมนจะไม่มีการป่กไปไม่มา แล้วมันไม่มีอะไ่ออกกรุงเป็นอิสระไม่มีขอบเขตไม่มีน้ำหนักไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมามันรู้สึกอย่างนี้นะฮาท่านยิ่งปฏิบัติไปยิ่งรู้สึกว่าไอ้ขอบเขตของใจมันค่อยๆกว้างค่อยๆกว้างแต่มันยังมีขอบมันยังมีขอบเลยถึงจิตหนึ่งไม่มีขอบมีเขตเป็นมหาคตะใหญ่เป็นอิสระไม่มีอะไรเทียบนี่แหละมันเริ่มทำใจ เอาไม้ได <ừ. S 1> ้นาคนที่มาด้วยกันครับท้องคุณเป็นไงบ้างอย่าจงใจทปฏิบัติเทนั้นนะของโยมหนึ่งจงใจไปนิดหนึ่งรู้สึกไหมมันยังเคร่งเครียดในการปฏิบัติจิตที่เดิมที่เขาท การปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจงใจทำนิดเดีเยวจะแบบเกิดความทุกข์แทนอย่างเครียดให้เรามีหน้าที่รู้ทันไปเรื่อมันจะค่อยๆลายออกผายออกคุณําตรงดีนะหลุดพ้นตรงนี้ไม่ได้บอกว่าห <c ười> ลุดที่ปิดอยูได้ให้ช่วงยไ <c ười> ม่งั้นจะไปกลับมาโลกครับไกแน่นอนท่านฮะและอย่างที่เมื่อวานนี้ยังสงสารอยู่นี่ <c ười> ว่าแทนที่มันจะไปคือคือถ้าปล่อยไปจะไปอยู่ที่อัคระสาแล้วไงแล้วมันพลิกกลับไปอยู่ที่อสัญญียังไงเอาคูลเลเซนอสันญีนี่พวกดูรูปพวกดูรูปนะพวกอาัคาระสาเนี่ยพวกดูนามไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นไม่ใช่นเดียวนะกอสันญีเนี่ยพวกพิงรูปเช่นเวลาก็ยกมือเนี่ยจิตเขเกาะสนิทอยู่ที่มือเลยเกินิ้วนิ้วแต่ละนิ้วเนมันจะขยับได้พร้อมกันั้ะเวลาเราเคลื่อน มันจะไหวขยับแต่ละนิ้วไม่ทราบนิ้วไหนก็ะดิกคลิกนึงด้ยอย่างรู้เลยจิตจดจอ่อยู่กับรูปเป็นเดียวเลยทําอะไรเนี่ยจะจะจับปวดนิ้วแต่ละนิ้ขยับไงรู้หมดเลยไม่สนใจนานเอารูปไปทำอนอย่างเอารูปไปอารมณ์เดียวการที่จดจอ่อยู่กับรูปเดียวก็คือการเพ่งรูปเพ่งอยู่ที่รูปเดียวอันเนี้ถ้าเพ่งสุดขีดนั้นก็จะไปถึงจตุตัาชานฌานที่สี่ ไม่ขึ้นอากาศสาบจะเพ่งรูปแล้วถ้าคนไหนไม่ชอบนามเลยนะไม่ยอมดูจิตเลยคิดว่าไม่ต้องดูจิตไม่มีการแยกรูปแยกนามมีแต่รูปันเดียวถ้าเกลียดจิตเนี่ยมันจะดับความรับรู้ไปอย่าเหลือรูปันเดียวสันยามจะค่อยๆจากจะค่อยๆจาไปมันดับจะดับนามมาทำทั้งหมดเลยไม่ใช่ดับเฉพาะสัญญานะจะตรงที่เราดูนามจะไปดับสัญญา อันนี้หมายถึงว่าสมาธิเขาเพิ่งทำ ม, มาแต่แรกเนี่ยมันจะต้องหลงตลอดมันเลยใช่ใชเป็นสมาธิประกอบได้ถูกใช่เส้นทางของอสันดีเส้นเส้นทางของวิจชาทิจิตระบ่<อ>มดความรู้สึ ก, กที่ว่าตัวเองแล้วทางที่ที่ ท, ที่อาจารย์กล่าวนี้จะไปทางนั้นหรือเป่าเปลไม่ใช่ใชนี่เป็นอากาศสาร<ช>แน่จะไปอยู่กับาว่างอะไรก็ว่างไปหมด วันแรกผมนึกว่าถ้าจะไปรูปปัจฉานีจะต้องสับเซตจากรูปประฉานคือตัวตัวรูปประฉานเนี่ยสี่อันบางทีถ้าเรียกตัวเป็นสมาบัติแปดก็เป็นสมาบัติที่ห้าถึงแปดห้าถึงแปดคือตัวรูปประฉานทั้งหมดจริงๆก็คือฌานที่สี่นีงแต่ว่ามันใช้นามาทําเป็นอาบุตรพระองค์ของมันมีสองแต่องค์มัมีสองเหมือนกันเหมือนกับฌานที่สี่มันคือฌานที่สี่นี่ น, นี่พอไปดูว่างเลยก็ว่างมากเลย่งอยที่ความว่างแจะเหยียดมือในความว่างมีความรู้สึกขึ้นมามีสิ่งที่แทรกอยู่ในความว่างไปรู้ความรู้สึกว่างเลยตอนนั้นอวิญญาณแต่ ย, ยะตสนะกลับมาดูตัวรู้นะไปูไปจับตัวรู้ไปิเพ่งใส่ตัวรู้เพ่งไปเพ่งไปนะในสุดก็จะคลายตัวรู้ที่ออก เห็นื่าตัวการเที่มีเพ่งตัวรู้ไว้ก็ยังเป็นภาระคลายทิงมันจะไปอยู่กับความไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้หากินจัญญานะกนนะคือพอไหวหมดเลไม่มีอะไรสักอย่างมันก็ค่ามีไหวเน่ากายนี่มันสลายไปตั้งแต่ชั้นที่สี่หมดแล้วไม่มีอะไรเลยความรู้สึกก็ไม่มีสุดเนที่สุดพอมันละเอียดสุดขีดเนี่ยสัญญามันจะอ่อนกำลังก็ค่อยอ่อนอ่อนอ่อนล่ไปจนเหมือนกัมีสัญญาเหมือนกับไม่มีสัญญา น, นั่นหมาว่าสัญญาคล้าออยๆกัก้ามตื้ใช่ไหมใช่แตวถ้าจะเข้าสมบัติที่เก้าเข้าตรงสมบัติที่เจ็ดเนยมัไม่ได้เข้าตรงที่แปดตรงที่แปดทำอะไรไม่ได้คือจะไม่ปัญนาก็ไม่ได้ทําไม่ได้ยกเป็นพระอริยะที่ชํานาญการรูจิตพรริยบุคคล ตายไปเกิดในอรูปของลมเนี่ยไปเี๋ยวนี้ศานาต่อได้ด้วยการดูจิตแต่คนทั่วไปอยสตาร์ทเริ่มต้นไ่ทําได้เลยหรือต้องไปผูบัติที่นั่นใช่ไหมหมายความว่าเป็นพระอัญญาแล้วแต่ว่าใชยังไม่จุกแล้วแต่ไม่เจอเป็รูปบแบบในอรูปเป็นลมแล้วก็เดินสอเดินต่อได้ไปดูจิตต่อก็จะเรียนในความไม่มีอะไรแลนะก็ยังไม่ใช่ตัวเรา S <S <an ics> เห็นวิญญาณภาพรู้ไม่ใช่ตัวเรา <C oughs> เห็นความไม่มีอะไรก็ยึดไว้ไม่ได้ <S <S <an ics> ไปเจิศาสตร์แต่ของข้อมนะั้มันไม่ค่อยเหมือนกับอ่ส่วนใหญ่ค ร, รับทั้งหลายครับพอจบหลักสูตรแล้วแทนที่เข้าไปติตว่างกันนะ่ะของผมกลายเป็นว่ามันเข้าภาพ้าภาษาไม่ได้กลายเปนก็ไปอยู่แครูปประชานิก <S an ics> ดีแล้ว <S an ics> ก็เล ย, ยมองว<อ>่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นจิตกับจินนั่น้ <c oughs> ืเขาชอบความว่างๆชอบสบายไม่ชอบอะไรที่หยาบๆจิตชอบของเนนี่แล้วพลิกไปหารูาโยมมาจากไหนกันไหนใหม่ไม่เคยเห็นหลายคนไม่จากพุท่ค่ะแล้วก็มีกัทบท่านขนส่งสวาสการท่านดีวยไ่เป็นทางกา เคยอยู่สุีินทร์มาก่อนเล้วค่ะแร้วนะกับบุญกับพระเจ้าจคุณอ๋ อ, อกับส่วนภาษาอหนกฤษเธอดีเนาะคุณเป็นอุปชากับมมามาไปเรียนอยน่างหลวงูดูลย์สมัยก่อนแล้ ว, ว่าตอนท่านอ ย, อยู่ไม่ได้ทันบวชนะ <c oughs> ของของหงก็ไปรับราชการที่สุริเคยฝึกมาแบบไหนละ่ะได้อ่านหนังสือของอาการยแล้วก็ มีความรู้สึกว่าคือเิอเนี่ยปฏิบัติไม่ค่อยได้ค่ะแต่พอได้อ่านหนังสือของท่านอารแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าสามารถปฏิบัติได้นะคะตามแนวทางที่ท่านาจารเขียนไว้นะคะก็เลยสนใจมากก็พยายามหาว่าท่านอาจารย์ทน่ไหนนะคะก็ไปถามคนที่เป็นหนุ่มมาให้แล้วก็อีน้องก็หมอค่ะก็เลยมาค่ะเดือดร้อใจก็ได้ามีอะไรก็จะกราบถามท่านาจารให้ช่วยแนะแนวทาง คือกรรมฐานน้่มันมีสองสองแนวทางสองแนวทางหลักๆนะหนึ่งรู้กายหนึ่งรู้จิตแต่แว่านั่นเป็นจุดเบื้องต้นเท่านั้นนะถ้ารู้กายถูกต้องก็จะรู้จิตรู้จิตถูกต้องก็รู้กายหนึ่งเรียนอันเดียวกันแต่คนละหน้ามันจะเริ่มจากไหนก่อนนี่คนแต่ละคนเนี่ยจริตนิสัยทางต่างกันเราไม่ใช่เลือกตามใจชอบนะต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนจริตของคนเนี่มีสองจริต จริตของวิปัสนาเนี่ยมีสองอันไม่เหมือนจริโของสมถะนะมีหกอันราคะจริตโทสะจริตโมหัจริตยิตกจริตทุทธจริตสัทธาจริตอันนี้ไว้ทําสมถะจริตของวิปัศนาเนี่ยมีสองอย่างอะไรนี่ว่าตันหาจริตกับทิฏฐิจริตตันหากับทิฏฐิอันนี้ไม่ค่อยมีคนได้ยินไม่ค่อยมีคนพูดถึงพูดถึงแต่ราคะจริตโทสะจริตเพราะว่าส่วนใหญ่ทําแค่สมถะ ที่ตันหาจริตหมายถึงคนประเภทไหน่คนประเภทรักสวยรักงามรักความเป็นระเบียบนะรักความสงบรักความสบายพวกนี้เหมาะที่จะดูกายเพรากายเนี่ยมันจะสอนให้เห็นไม่สบายไม่สวยไม่งามนะอีกพวกมันึ่ว่าทิฏี่จริพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตเนี่ยจริงๆก็คือคนเมืองส่วนใหญ่นั่นเองพวกเราทํางานที่ใช้ความคิดทั้งวันเลย เราต้คิดคิ ด, ค, ดนนะคิดทั้งวันพวกคิดเฉยเฉิ่พวกคิดมากเนี่ยจะมีนิสยัยชอบคิดชอบวิพากษ์วิจารชอบตีความชอบให้ค่าชอบศึกษาเปรียบเทียบให้ค่าบาทีก็ตัดสินคนอื่นอันนี้ดี น, นี่ไม่ดีถูกอันนี้ไม่ถูกพวกเจ้ารักที่เจ้าเป็งกลางนั่คือลักษณะนสยัยส่วนใหญ่ของพวกปัญญชนนั่นเองตรงนี้หมอที่จะดูจิต เท่าไรจิตนี่มันสะท้อนให้เห็นกระทั่งจิตใจเรายังบังคับมันไม่ได้นี่จะไปบังคับไรก็ได้มันจะดัดนิสัยที่ชอบไปยุ่งปรนครับเล่นทางเดินมีสงสัยนี่การรู้กายมีเงื่อนไขการรู้กายจะรู้ได้ดีนะถ้าทําสมาธิเชิกอ่อนทำฌานเชิญกอ่อนส่วนการดูจิตเนี่ยดูได้เลยสมาธิเกิดทีหลังงั้นการรู้กายเนี่ย เรียกว่าสมาธินําปัญญาเป็นเส้นทางของพวกที่ใช้สมาธินําปัญญาอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนใหญ่ก็จะทําสมาธิก่อนทํารทำสมาธิาาจนใจแน่ๆเป็นหนึ่งแล้วออกมารูกก้รกรรายตรงกับกํามฐานท่าที่ทำนี่สิ่งที่หลวงูดูลสอนนี่จะตา่างกับครูบาอาจารย์วัดป่าองค์อื่นบางมุมหลวงปู่ดูลย์สอนรู้สึแต่ละคนไม่เหมือนกัน ลูกศิแต่ละคนบางคนท่านให้ดูกายบางคนท่านให้ดูจิตที่แท้ท่านก็ดูมาจากษ์จริญญาสัยนี้ถ้าเราทําปฏิบัติไม่ตรงจริญก็ไม่ค่อยได้ผลที่ท่านมองว่าท่านเคยบอกอาตมาไว้นะว่าต่อไปการดูจิตจะรู่เรื่องในเมืองไม่ใช้ประโยคนี้เราก็ดูเห็นมันจะรุ่งเรืองเลยไม่เห็นมีใครก็ดูจิตกันเล ย, เลย มีแต่เข้ารูกายทั้งบ้านทังเมืองสำนักกรรมฐานทั้งหมดเลยนะยกเว้นสำนักท่านโเคนกาโภเคนกาดูเวทนาสํานักส่วนใหญ่จะียรู้กายทั้งหมดอย่างสายทั้นพุทธทาสหายใจเข้าหายใจออกทิธานาปนานสติก็กายสายวัดปาก็ดูตายสายอจารแม่พระรู้อิริยาบถสี่ก็เรื่องกายส่พก็เทียนขยับมือก็เรื่องกาย สายผงยุกหรือทองผองทองยุกยุกเทางเท้าก็กายมีแต่กายทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีจิตเลยแต่ว่าพอเวลาผ่ามมนมาสังคมมันเปลี่ยนคนยุคนี้เป็นคนที่คิดหนักทั้งวันคนที่เล่นกายแล้วได้ผลดีมันต้องเล่นชาญแบบจิตจะต้องเป็นหนึ่งถ้าจิตเป็นหนึ่งมันจะเห็นเลยร่างกายที่กําลังยืนเดินนัน่งนอนนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตไปรู้เข้า ถ้จิตเป็นหนึ่งอยู่จะเห็นในร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตจะรู้เท่าจะเห็นในกายที่มันไม่ใช่เราไม่ว่าจะฝึกขยับไปก็ยังเห็นในตัวที่ขยับอยีกนี้ไม่ใช่เราเนี่คนที่เล่นฌานจิตเป็นหนึ่งถ้จะเห็นอย่างนี้ได้ไง่าย <c oughs> ถ้าไม่ทำฌานก่อนไม่ทําสมาธิก่อนแล้ว อ, อยู่ๆก็ยกมือจิตจะลงไปเพ่งมือไม่ใช่รู้มือ แ, แต่ไปเพ่งมือ รู้ลมหายใจก็อย่ไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องก็ไปเพ่งท้องรู้เท้าก็เพ่งเท้ามีแต่เพ่งทั้งหมดไม่เดินสัญญาไม่ได้ใจไม่ตั้งมัน่นพอส่วนพวกหู่จิตเนี่ยหมาะกับพวกคิดมากพวกคิดมากในี่ยทสมาธิไม่ได้อยู่แไงก็ไม่สงบใจฟุ้งซ่านทั้งวันเลยสุกวานไปคิดคิ ด, ค, ด, ค, ดคิดทั้งวันเนะตกค่ําลยมานั่งสมาธิไม่ค่อยลงเพราะงั้นท่านสอบอกว่าพวกที่คิดมากเนี่ยให้ดูจิตไเลย ให้จิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องทําสมาธิก่อนสมาธิจะเกิดทีหลังทำไมไม่ให้ทําสมาธิก่อนสร้างจิตฟุ้งซ่านแล้วเราไปทําสมาธิก่อนจิตจะไม่มีแล้วฟุ้งซ่านไม่มีไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูจิตมีราคาเราไปทําสมาธิขึ้นมาก็ไม่มีจิตที่มีราคาให้มีแต่จิตสงบลุกเดือก็สงบยอยู่นั่นแหละทําไปก็สงบอยู่ดังนั้นการดูจิตไม่ต้องไปทําสมาธิก่อน ไห้ดูมาไปเลยใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราจะเห็ น, นจิตใจของเราเปี่นแปลงทั้งวันเช่นรุ่น้องเราคนนี้มันขี้เกียจทันชบบูบโกหกเราด้วยต่อหน้าเราทําขยันลั่นหลังเราขี้เกียจเห็นหน้ามันเราก็าาราคาญพอราคาญปุ๊เราเห็นใจที่ราคาญมันคุกคนเลยใจไม่ไม่เที่ยงใจทีแรกเฉยๆตอนนี้เห็นให้คนนี้ปุ๊บราคาญเราได้ยินเสียงเพลงนี้เพลงนี้สมัยวัยรุ่นเราชอบ ฟังแล้วมีความสุขใจที่เคยเฉยเฉยเปลี่ยนเป็นใจที่มีความสุขเราก็ตามมันดูไปวอาตอนนี้ใจมันไม่เที่ยงนะมันมีความสุขเราจะนอนกลางคืนหมาข้างบ้านเห่าไปเลิกมโมโหมันของอโยมที่โมโหนะะไรนะเออเป็นคนที่มโมโหงั้นดูง่ายดูจิตง่ายมโมโหงั้นมันดูง่ายที่สุดลแล้วในความโมโหแล้วมันพุ่งขมันมาดูไปเราคอยรู้ทันไม่ห้ามนะ การดูจ <muitas> ิตเนี่ยเราจะไม่ไปดักไว้ก่อนเราจะตามรู้เช่นมันเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่ามันเผลอไปมันโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่ามันโกรธไปเราจะตามรู้ไม่ดักไปก่อนระหว่างรู้เราไม่เข้าไปเพ่งเราดูเหมือนกจะเห็นของคนอื่นเห็นคนอื่นโกรธนะแล้วเวลามันโกรธขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นเลยเหมือนไองคนนี้มันกําลังโกรธอยู่ไม่ใช่เราอะมันนีอ้ไอ้อีกคนนึงมันโกรธอยู่เราจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่น ก็เห็นแล้วไม่เข้าไปแทรกแทรกไม่ใช่ว่าไปบังคับให้หายโปรธแต่เราจะไปดูเราจะไม่บังคับตัวเองเราจะคอยดูดูซิความโกรธนีดเที่ยมนิไม่เที่มยมดูอย่างนี้นะดังนั้นก่อนที่จะดูจิตเนี่ยอย่าไปเจ้าม่ให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เ่านี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองระหว่างรู้อย่าไปเพ่งใส่นานอย่าไปเจ้าใส่นดูอยู่ห่างๆเหมือนเห็นของคนอื่น มันเห็นความรู้สึกของคนอื่นมันเห็นคนอื่กนกำลังโกรธมันเห็นคนอื่กนกำลังโลภไม่ใช่เรากาลังโกรธหรากาลังโลภหลังลจากดูแล้วพอเห็นแล้วว่ามีกิเลสนี้อะไรเกิดขึ้นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปลนไม่เข้าไปแก้ไขถ้ามีความเห็นว่ามีความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปรักษามาันเห็ความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ต้องรักษามันเห็นความฟุ้งเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปดิ้นหนีมันเห็นกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่ต้องหนีมันให้รู้ทุกอย่างตามความเป็นจริง แล้วมันจะสอนธรรมะหรมันจะสอนเราว่าทุกสิ่งที่เกิดมันจะดับทั้งสิ้นโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าเขามีเหตุเขาก็เกิดขึ้นมาถ้าเหตุหมดไปเขาก็ดับไปแต่ถ้าเราปิดเจ้าไว้นะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะนิ่งๆเจ้าไม่ก่อใช้ไม่ได้ดังนัการดูจิตไม่ไปดับเลยก่อนให้ความรู้สึกเกิดแล้วให้ดูเอานะระหว่างดูอย่าส ล, ล้ำลงไปดูเหมือนเห็นของคนอื่นนะดูแล้ว ไม่เข้าไปแทรกแสงแก้งไขหรือควบคุมบังคับดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาไม่เที่ยงเขาบังคับไม่ได้การที่เราได้เห็นความจริงว่าจิตใจเป็นขามไม่เที่ยงขางบังคับไม่ได้นี่เรียเรื่องว่าปัญญาผลีปัญญาอย่างนี้จิตจะปล่อยวางความยึดถือจิตเรียกว่าพิมุตย์นี่จะเป็นลำดับลาดับลาดับอะไรในสุดใจเราจะปล่อยได้แต่เราจะเป็นอิสระ